พุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้าขอเมตตาบารมีขอกราบอาราธนานิมนต์อัญเชิญมีพระภาคเจ้าโปรดเสด็จมาณสถานที่นี้ข้าพเจ้าจะขอ ขอเมตตาบารมีขอกราบอาราธนาอัญเชิญพระพุทธเจ้าทุกๆท่านโปรด